จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสติแผ่เมตตาจริงหรือว่าแผ่เมตตาหลอกๆใจจริงเก็บความโกรธไว้หลายคนสับสนวันหนึ่งแผ่รัศมีสุขออกไปให้คู่แขนได้แต่อีกวันรู้ตัวว่ายังคู่กรุ่นถ้าแผ่ก็แผ่ได้แต่ไอร้อนเผาเผาเหมือนไม่รู้ตัวว่าใจจริงอยู่ตรงไหนแน่ แผ่เมตตาถูกหรือผิดหรือกระทั่งที่ทำทาไปเรียกว่าแผ่เมตตาแล้วหรือเปล่าที่ต้องจดจำให้ได้เป็นมั่นเหมาะคืออย่าพยายามแผ่เมตตาแบบรีบร้อนแต่ให้มีสติระลึกได้ตรงตามจริงว่าปฏิกิริยาทางใจกาลังเป็นอย่างไรอยู่จุดนี้สำคัญที่สุดถ้าคนไม่มีสติรู้ใจตัวเองตามจริง ก็มัออกอาการฝืนแผ่เมตตาทั้งที่ยังจุกเสียดแน่นหน้าอกพร้อมแผ่รังสีอมต์อยู่แท้ต่อเมื่อเกิดสติระลึกได้ว่ากำลังมีโทสะรู้ว่าราจิตตัวเองตรงกับของจริงก็จะมีสติรู้ไปในตัวด้วยว่าภาวะณขณะนี้ยังไม่พร้อมแผ่เมตตาเพราะคนเราจะแผ่เมตตาออกก็ต่อเมื่อใจว่างจากโทสะแล้ว และมีต้นทุนเป็นความสุขความสบายอกสบายใจบ้างแล้วเมื่อมีความสามารถยอมรับความจริงถึงขั้นที่เรียกว่าเกิดสติรู้อกุศลจิตรู้ว่ากำลังมีไอโทสะครอบงมจิตรู้ชัดว่าภาวะโทสะก่อแรงดันร้อนร้อนลวกจิตให้ผู้พองประมาณไหนเมื่อนั้นเองสติอันเป็นธรรมชาติฝ่ายกุศล จึงค่อยสบช่องเข้ามาล้างใจกล้ามเนื้อทั่วตัวผ่อนคลายลงรู้สึกว่าใจเย็นลงเหมือนน้ำร้อนลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วซึ่งต่างกันอย่างมโหฬารกับการกัดปั่นฝืนข่มโทสะหากแม่นยำเข้าถูกทางคือมีสติก่อนเป็นอันดับแรกรู้อาการรุ่มร้อนปันป่นป่วนของจิตจนจิตค่อยๆโรยตัวสงบลงไปเอง รู้สึกถึงไอายเย็นภายในแล้วค่อยแผ่รัศมีความเย็นออกมาจากกลางใจคุณจะพบมหากุศลจิตที่เกิดจริงไม่มีการเสรแสร้งแกล้งทำรับรู้ถึงเมตตาที่ติดอยู่ในจิตจริงๆแม้คราวหน้าเกิดโทสะแล้วแผ่เมตตาไม่ออกก็เข้าใจตัวเองอย่างทองแท้ว่าเป็นเพราะยังขัดเคืองคุ ก, กรุ่นตามแรงกระทบยังมีกิเลสน่อนเนื่องอยู่ ประสาคนยังไปไม่ถึงความบริสุทธิ์ของจิตไม่หลงเข้าใจไปว่าแผ่มเมตตาสำเร็จครั้งหนึ่งแล้วจิตจะบริสุทธิ์ไร้โทสะไปตลอดกาล